ทัานตั้งใ จ, จฟังจะเทศนาถึงเรื่องงานานัดหมายฟังความเป็นจริงเทศนามามากแล้วเทศกเทศเรื่องเก่าไม่ใช่เทศเรื่องใหม่เทศเกี่ยวไปเรียนมากับข้องเก่านั่นแหละคือแม้นี้จากตัวของเรา วนเวียนในี้เงเรื่องตัวของเรา้าสี่ดินน้ำไฟลม ง, งายจะจเนะขัน ห, น า, นหายิจ่นะอยู่ในนี้แหละไม่ได้อื่นไกลอะไรหรอกแค่ว่าฟังลืมลืมของเก่า ไ, ได้ฟังเข้าก็เข้าใจเป็นของใหม่กานตัวของคนเรากันเกิดขึ้นมา ถือว่าตนว่าตัวถือว่าเราว่าเขาความ็จริงไม่มีอะไรหรอกเป็นสภาพของธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเก็บอาหารมาหล่อเลี้ยงไปชั่วข้างชั่วคราวเหมือนกันกับไปตลาดซื้อไปเก็บผักเก็บมาใส่ก็เอามาใส่กรเซ้าแล้วก็ นิ่ไปบานเขาจะทำกินน้วก็หมดวันหลางามา่อกี้ไปเก็บอีกทีหนึ่งไปเก็บกลก็เช้าไปเก็บอีกทีตัวของเราก็เหมือนกันนเนี่ยเป็นเครื่องใส่อาหารครือใส่ลงไปในปากวาวเนี่ยเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งตั้งใส่ วันหนึ่งวันหนึ่งต้องใส่สองขนซ้มขนมันก็ไม่อิ่มไม่พอเป็นสักทีถ้าเปิดใเจ้าท่านเทศนาว่าปุคลันตังสุคลันตังไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาตัวของเราเหมือนกระไท่สองปาก มันก็ไถ่เขา่าจะมีไถ่เขา่าในสองปากใส่เข้าไปทางบนที่มันก็ไหลลงไปข้างล่างแล้วก็ออกไปอีกก็ะจอีกตั้งแต่ไห้แต่ไดมาพอนิ้วตัางหากสิบหกสิบใส่อย่างนี้แหละใส่เท่าไรก็ไหลลงไปเท่านั้นไม่มีเต็มไม่พอไม่สักที ท่านยังตั้งอุปมาอุปไมยไว้มีคนหาคนที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยมาปึกษาหลือกันนตาเนี่ยก็ไปมองเห็นสิ่งต่างๆสายหาเห็นเห็ น, หนสิ่งต่างๆชอบใจก็เอามามือเป็นคนเอามา หาใกล้หาสาย ห, า, า, ยหาสิ่ ง, แบบ ง, ง, งอะไรทั้งปวลทั้งหยาบละเอียดตาเห็นแล้วไปชอบใจคาว่าชอบใจนี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเห็นนะคือใจมันชอบตัางหากมันชอบใจใจเพราะมันชอบตาไม่ชอบหรอกเห็นอ้ไรก็เห็นอย่างนั้นนะ่ะ ตัวใจและหาเป็นคนชอบคนชอบใจแล้วก็ใจน่ะบังคับให้มือไปหยิบเอาหยิบม า, บ ม, ามาก็มาใส่ปากออกมาใส่ปากแล้วกดเขี้ยวเข้าไปฟันกดเคี้ยวเข้าไปแหลกแล้วก็คือนลงไปต้องไปอยู่ใน ก็เพราะจะอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวหนึ่งแล้วก็หายไปคือถายไปถายเทไปจึงว่าห้าคนเข้ามาไปชุมกัน <c oughs> ตา่างอานบอกว่าฉันจะเห็นได้เฉยไม่ได้รับผิดชอบไปได้ ตาเห็นนะก็มือก็ปเปเ็นคนหยิบไม่ใช่เฉยไม่รับที่ชอบอะไรหรอกมันก็ป้อนเข้าไปใส่าปากกับเคี้ยวฟันนั่งก็เคี้ยวเฉเฉยไม่ได้รับผิดชอบอะไรมันเป็นนอนนใรําไส่เป็นนอนในกระเพาะอาหารนั่นมาก่อนมานอนนี่แล้วคืนหนึ่งเป็นสาวไปไหนลุงเช่าเป็นสาวไปไหน โดยไม่มีใครรับผิดชอบสักคนเดียวแต่ท้จริงคือผู้ใจในต่งางคากใจนี่เป็นคนรับผิดชรับชอบคือตาเห็นนั่นกับใจนั่นแหละเป็นคนเห็นไม่ใช่ตาเป็นคนเห็นคนตายแล้วไม่ดูอะไรไม่ได้หรอกมันใจไม่มีแล้วก็ดูว่าได้ไม่ออก มือก็ยิบใส่ปากไม่ได้ขันใจได้ไหมได้ก็ตายฟันก็เคี้ยวไม่ได้ําคอนะั้นไหนมันจะคืนได้คืนเอาไว้ก็ไม่ได้ทำมันตายบ <Okay. S 1> ้างแตพ่ออาหารมันจะไปรับรองได้ไงไนั่นคืนไม่ได้มันก็ไม่รับรองหรอดิ คนเรามันเป็นอย่างนี้เลยตามไม่ถึงที่มันไม่รู้เรื่องของมันนั้นยังคือว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่ร่้งไปสิ่งตั้งห้าประการนี้ประกอบกันเข้าจึงทำให้จึงสำเร็จอาหารทำไมสาวาจะเรียกไหนล่ะคะนี้ ก่อนก็ไปถึงป่าแล้วก็ไม่จับเขาไปไหนหายหมดเราะนั้นเป็นเรื่องของเขาต่าหาที่น้ำไปหล่หอเลี้ยงร่างกายให้ร่างกายชดชื่นอยู่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของมันต่าหาเราจะบังคับมันก็ไม่ได้บังคับทำไมไปหล่อเลี้ยงร่างกายไป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 อันนั้นพกเทียงก็มีที่สิ่งสุดถ้าของไม่มีเราจะเป็นอนัตตาได้อย่างไงอนัตตาถ้าไม่ได้บอกว่าของไม่มีนี่อนัตตาในของมีอยู่ต่างหากแต่มันไม่ได้อยู่บังคับบัญชาของเราตั้งหากเหตุ้นคนเถียงกันถ้าจน ในสมาคมแล่นก็จนแตกสมาคมนั้นเพียงยุบบ้านในเมืองในคือบ้านนั้นเมืองนั้นแตกอ่ะวดได้เจอตนรู้ปว่าจะเจอคนเข้าใจที่ไหนได้มันเรียกว่าถ้าบอกทาช้างคนใดจับันใดได้ก็ว่านั่นในเรเป็นของถูก จับงวงจับอาจับขาเลยได้ก็ว่าช้านั้นมันจะเหมือนกับขาเนี่ยมันจะสูกนี่การไปจับหูได้ก็เหมือนกับกระดูกหัวเขานี่จับงานได้ก็เหมือนกับสาสตร่อะไรต่างๆเลยโตเถียงกันใหญ่โตเขาทันไม่ตกไม่ลงกัน ขั้นหากก็ว่าเอาหลักอันนี้คือความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นแล้วภาพสี่ดินน้ำไปลงคือตัวของเรานี่แหละเป็นหลักอยู่ใครบอกมาได้ข้าหามให้ฝังอย่างอธิบายมาแล้วย่อมเป็นไปตามสภาพของมันเสื่อมศูนย์ดับไปก็ต้องเป็นไปตามสภาพนั้นมันเกิดขึ้นมาก่อน เกิดจากปัจจัยอวิชชาตันหาอวิทานนันเกิดขึ้นมาดับไปก็เพราะตันหาวิชาวประทานดับไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเอาเป็นตัวกลางไว้ท่นพูดยังไงมันก็นลงรอยกันนะสิ มันม่ตาเป็นตัวยังจะมัวหลอยกันนี้อนัตตาไม่มีมันก็พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็โต้ไปคันท่าอนัตตาเอาตัวนี้ตั้งไว้แล้วใครพูดก็ถูกมดทุกคนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เขาา้าใจอนัตตาก็หาว่าของไม่มี เทิมสูนวังดงมมาอยู่เพียงแคนะ่นั้นพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจต่างเป็นจริงของจริงอย่างนี้ก็ไม่เป็นจริงให้เป็นจริงอะไรก็เป็นจริงอย่างนะั้นไม่ใช่สอนลึกซึ่งอะไรหรอกสอนตื้นนี่แหละทั้งที่มันซึ่งเน้นเพราะจิตใจต่งาง จิตใจละเอียดลึกซึ้งมันก็ต้องลึกซึ้งเอาไปแล้วจิขั้นไม่จิตใจไม่ลึกซึ้งกับธรรมะธรรมดานี่แหละอยเาพระสอนรูปกายเนี่ยเป็นอนาศาศาัตตากต่ธรรมดเนี่มันจะมีอะไรเกิดสมัลแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเลยไม่มีใครพิจารณา เขาจะภาพเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหาพิจารณาซึ่งเข้าไปโอ้โหมาของมาละเอียดลึกซึ้งมากจริงๆมัเกิดมาจะชื่อว่าเกิดมาจะเบื้องตน้นมันแก่มาเพราะมันเจ็บมาเพราะมันตายมาเพราะเด็กเบื้องตน้นแต่ปฏิสนธิครั้งแรกเขาเกิดมาได้กระดับเม่อ น, นั้นะ แต่มันไม่ดับจริงๆคือมันค่อยดับไปดับไป น, นั่นเองเกิดขึ้นมาอยู่ในขันนูนะ่นนี่ยแก่มาแล้วแต่คันนู่นน่นะเจ็บมาแล้วแต่ขันนู่อยู่ในขันนนะตายมาแล้วตายโดย ด, ดับมาแล้วแต่ในขันนูนะ่นขันไม่แก่มันก็ไม่คลอดมันคลอดออกมาแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นมาโดย ด, ดับ าทางสภาพเขออ้ามาคนที่หลงว่าตนไม่แก่ต้องว่าไม่เท่าหลงตนรวดไม่ตายอันนั้นความหลงต่างหากมันตายก็ดูลำดับไม่รู้ตัวนั่งอยู่ในนี้ก็ตายไปทั้งหลายเขางองแล้วความปกปิดกำบัง ไม่เห็นเรียกว่ปาปิชันนาลาปฏิชันเน้วนะพอปิดกำบังไว้ไม่เห็นมีแต่เทศนาให้ฟังถึงเรื่องอนัตตาให้พิจารณาดูในนี้ ที่เราเกิดที่เราทำที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันเดี๋ยนี้อย่างที่เราเป็นอยี๋ยนี้แหละอาหารที่เรารับประทานนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทามากินล้วนนั่นแต่เพื่อปากเพื่อท้องเท้านั้นถ้าไม่เพื่อปากเพื่อท้องเราก็ไม่ทําแล้วคนเราตามันเห็นคือใจมันเห็นตาไม่ใจอะไรก็ไม่เห็น ทันใจไม่มีแล้วไม่เห็นมือไปหยิบมาใส่ปากมือนั่นก็ตัวใจได้บังคับเขาไปใส่ปากได้เเคี้ยวไปกับปากนั้นกิตัวใจนั่ น, ด น, น, น, นแดดเป็นากเคี้ยวถ้าใช้นี่ก็ไม่เคี้ยวหรอกปลื้มลงไปอยู่ในลาใส่นอนคืนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งอันเรื่องทุกข์มันหยุดตามอันนี้ไม่ใช่อื่นไกล เายังมาไปส่งทุกเช้ามัก็ไปส่งทุกไปส่งทุกครั้งหนึ่งวันละหนไปส่งอะไรก็กลับขปนมาหาอีกคนเี้ยนี่อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอนัตตาความจริงของเรานั้นอะไรที่จะเป็นที่จะเป็นประโยชน์แก่เราจใจนั่นหนหละ มันเพียงได้มัวเมาอย่เพียงแค่นี้ไม่หาแตแหวงหาดีหาคุณงานความดีเพื่อประโยชน์ของตนหาเพื่อประโยชน์ของของเขาเท่านี้กับมดเรื่องหาประโยชน์เพื่อร่างกายนี่กับมดไม่มีอะไรหรอกที่เหลือตายไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปด้วยทิ้งมดของไปนี่ควรที่จะเห็นถรู้เท่ารู้เรื่องเห็นตามเป็นจริงจริงจัง พลอดโปรงจิตยงจะโล่งใจยึงจะเบิกบานเอาละเทศนาธรรมนิพพาการนั่งภาวนาจำเป็นจะต้องต่อสู้กันเบื้องต้นต่อสู้ด้วยเหตุใด ด้วยเหตุที่เรามักสุขสบายเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดมันเดือดร้อนเป็นทุกข์กุ้มใจไม่อยากกัวภาวนาอันนี้เรียกว่ามันใช้เรามันใช้ให้เราทุกข์ทนทุกข์รมาณมันหลายภบหลายชาติมาแล้วใชใ้เราสนุกเข้าใจว่าเราสนุก คือไม่ต้องภาวนาฉันต้องไปจนต่อสู้อยู่ในอำนาจของมันนึกว่าสบายแล้วแท่จริงนั้นการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องเอาชนะมันหดแต่มันนั่งมันเจ็บมันเมื่อยมันปวดแข้งปวดขาอะไรต่าง เนี่ยพิจาน่าเห็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องของขา น, นั่นเป็นเรื่องของเอวอ น, นั้นไม่ใช่ของเราหรอกมันถ้เป็นตอย่างนั้นเน่ยเราไปยึดไปถือดังถ้ามาแล้วไม่ยึดไม่ถือแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปมันจะเจ็ บ, บจะเพื่อยมาที่ไหนไม่มีหรอกเห็นเป็นอนัตตา เนี่ยไปถือเป็นตนเป็นตัวเรากำหนดพีจารณาป่าสติกำหนดลมหายใจเขาออกเท่านี้แล้ ว, ลวคันเรากำหนดลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปถือของภายนอกไม่ไปยึดของภายนอกมันก็หายไปนั่นแ่ะสิอย่างเมื่อเรียนหนังสือเป็นเด็กอยู่ ไดูหนังสือกระเพลสดูกัะหนังสื อ, สอเข้ามันก็ไม่อยากมันลืมทานเข้าไปอันนี้อาการที่ยิตเราไปเพลินไปไปยึดยิตเราไปพิเจนานาทึ้งเรื่องความรู้อันนั้นดูนึกกับพุทโธนะั้นนึกออานาปารตีเราพุทธเอาไอ้ลมาหายใจนะั้น อาการนักวงมันก็หายหมดเท่านั้นจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งมันข น, นานกันแต่ท่านก็พูดอันเดียวก็นั่นละพูดเพู่อให้เข้าใจจิตคือผู้คิดใจคือผู้อยู่ถ้าไม่มีใจก็ไม่มีจิตท่านยังว่านนจิตกับใจเป็นอันเดียวกัน เราไปตามที่ใจไม่นึกถึงจิตใ่ไมไม่ไตามได้จิตไม่นึกถึงใจนั่นก็เลยไม่อยู่การกำหนดเอาจิตใจเท่านั้นน่ะจิตมันก็หายหมดมันก็อยู่นิ่งเลยท่า น, นใจถ้าหากจะรู้จะรู้เรื่องของใจแล้วนะนะลองกำหนดลองดู เดี๋ยวนี้เราเอาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นไกลแล้ะกา้ลมหายใจสักพัดหนึ่งเอาเดี๋ยวนี้มีอะไรในที่นั้นไม่มีอะไรมีได้รู้เฉยรู้สึกว่าใจควารู้สึกอะไรนั่ะตัวใจนั่นอันระบายลงลงไปมันก็ ไตามจิตอะไระนี่ทรงใจจะตามอาการของจิตปรุรงแต่งนึกคิดอะไรต่างๆเพราะแต่สันปการถึรงว่าให้เอาใจนั่นได้เมื่อใจอยู่แล้วมันก็วางมดของกันนะของหลวงมดมันก็ไม่มีตัวใจตนี้สำคัญมาก ถ้าหากพิจรารณาละเอียดทีท่วนว่าคุมจิตให้อยู่กับหน้าของเราแล้วมันจะรวมเขาเป็นใจนะั่นแหละสติสมาธิรวมมันลงเป็นใจนะั้นหมดสติกับใจจ้รวมหรไกับจิตถ้รวมเป็นใจอนะันคราวนี้อยู่นานกันหลายชั่วโมงอันที่กั้นเราให้ใจเนะี่ยพอให้ให้รู้เรื่องมาไ้เฉยนี่แหละ ใจตัวนี้ดีเหมือนกันเน่ยเรากำหนดใจตอนนั้นได้แล้ ว, ม, ออลลว ม, ล ม, มันเกิดความโกรธความโลภความหลงขึ้นมากั้นลมหายใจหายหมดไม่เกลียดมันโกรธใครหายหมดกั้นลมหายใจแล้วคราวนั้นไม่หายกั้นนานๆหน่อยมันกลัวตายมันเกิดหายทันที